สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m ทุเดย์เรดิโนะครับทาง FM 89.5 ็มแปดสิบเก้นะครับวันนี้วันอังคารที่22นะครับก็เริ่มต้น สัปดาห์แต่ว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนกเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คงจะใช้เวลาของวันนี้แบบสบายๆชิ ว, ช ว, ชวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้หยุดงานกันหยุดเรียนกันแล้วนะครับเวลาออของวันนี้นะครับึชั่วโมงเต็มๆอยู่กับพี่มิง้ง Come t เ day เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกันในเรื่องของที่เรียกว่า ตัวโซเชียลมีเดียตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมีผลยังไงกับชัยชนะของนักกีฬานะฮะซึ่งดูแล้วเหมือนไม่เกี่ยวกันแต่สุดท้ายก็เกี่ยวกันวันนี้เราจะมาต่อเนื่อง ก, กันกับเรื่องของชีวิตติดรีวิวน ะ, ะก็ต้องบอกว่ายุคนี้อะไรอะไรก็ต้องรีวิวใครๆก็ชอบการรีวิวนะะแล้วมีการเอาไปเปรียบเทียบว่าไอชีวิตติดรีวิวที่ว่าเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็น พฤติกรรมของคนในยุคเลนเนซองเลยก็ว่าได้นะก็ต้องบอกว่าไม่ใครก็ใครนะฮะคงจะเคยได้ยินคำเตือนหรือคำแนะนำแนวช็อกโลกที่แชร์มาด้วยความรักผ่านทางโซเชียลมีเดียจากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพเช่นให้ระวังดาวหางชนโลกระวัง อ, อ, อะไรนะฮะติดโรคจากน้ำลายเวลาไปกินโตจีนนะฮะ แต่ละวันคุณจะได้รับข้อมูลทั้งที่ใกล้เคียงกับความสนใจบ้างก็อาจจะไม่ตรงกับความสนใจทั้งจากมิตรสหายหรือคนแปลกหน้ามีทั้งโฆษณาทั้งทางตรงทา ง, ทา ง, ทางอ้อมสอดแทรกกันมาทุกขณะจิตเลยก็ว่าได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เองเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ไม่เชื่ออะไรพวกนั้นง่ายๆคุณก็อาจจะยักไหล่แบะปากหรือว่าลบทิ้งไปเพราะนอกจากคุณจะ มีนิสัยต่อต้านผู้อวบอ้ โ, โดยสัญชาตญาณลึกๆแล้วคุณก็ยังเป็นคนยุคใหม่ที่ต้องการอ่าน ร, รีวิวก่อนตัดสินใจเสมออันนี้ต้องบอกว่าคือสุดใหญ่ที่เราเห็นการส่งแชร์ต่อๆกันเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆก็จะมาว่าโอ้ยมันไม่น่าเชื่อแล้วถ้าอยากจะเชื่อหรืออยากจะฟังจริงก็ต้องอ่าน ร, รีวิวเยอะๆนั่นเองนะครับ ตัวชี้วัดความที่เป็นคุณค่าของคนยุคไหนหรือเป็นคนในระดับไหนในสังคมเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอายุเท่าไหร่นะฮะเทียบรุ่นปีเกิดแล้วเจออยู่ในเจนไหนอันนี้ก็ไม่เกี่ยวมีระดับการศึกษาแบบไหนก็ไม่ใช่หรือสถานะทางสังคมเป็นยังไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมการตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับเนี่ย มันเป็นยังไงมากกว่านยะยุคนี้เป็นยุคอะไรที่ต้องรีวิวเราเห็นคนออกมารีวิวทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ร้านอาหารโรงแรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนชุดชั้นในบ้านโรงเรียนยาบริการทางการแพทย์เทคโนโลยีโอ้ทุกอย่างชุดความรู้ต่างๆหรือแม้แต่การรีวิวของแบบปลอมก็มีนะฮะและถ้าบอกว่าการรีวิวเนี่ยที่ดีจะพาเราเข้าสู่ยุคเรนเซอง อันนี้คุณเชื่อหรือไม่อ่าต้องมาฟังกันนะครับเมื่อเอ่ยคําว่าเรเนะซองส์เนี่ยคนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิละปะอะไรอย่างเงี้ยแบบนกแก้วนกขุนทองก็คงท่องมา้เลยแล้วว่ายุคเรเนะซองส์คือยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาในยุโรปนั่นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรื่องที่เคยเชื่อว่าชุดความคิดหรือกฎกติกาที่เคยยึดถือในแต่ละช่วงเวลาวันดีคืนดีก็อาจจะถูกรีวิวตรวจสอบแบบถอนลากถอนโคน โดยคนที่ใช้ชื่อว่าเป็นคนยุคใหม่เป็นคนหัวก้าวหน้าเป็นนักคิดนักปรัชญาแต่ในยุคนี้นะครับใครที่จะลุกขึ้นมารีวิวอะไรก็ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความสงสัยในคุณค่าหรือว่าข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะไอ้ที่พูดถึงตรงนี้มันจริงหรือเปล่าตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นคนตื่นเช้ามาบีบยาสิฟันหลอดเดิมๆใช้ทุกวันอาจเกิดข้อสงสัยว่าเราจําเป็นต้องแปลงฝันด้วยสิ่งนี้จริงไหม หรืออาจจะอยากรู้ว่าในยาสีฟันเนี่ยมีสารเคมีอะไรนำไปสู่การคิดค้นสุดยาสีฟันใหม่ๆที่ดีขึ้นมาใช้เองเพราะว่าช่องทางในการศึกษาข้อมูลและความจริงเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่มาที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าน้ํายาบ้วนปากหรือยาสีฟันแบบน้าที่เห็นโฆษณา ใ, ในยุคนี้นะ แม้แต่เรื่องล่อแหลมหรือว่าเสี่ยงต่อความคุกการคุกขามอำนาจก็ยังอุบาท์มีคนกล้า ร, รีวิวซึ่งอาจจะมีโอกาสขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆคนที่ต้องต้องออกมาตรงออกมารีวิวแบบนี้ก็อาจจะต้องสละชีพเหมือนกันนะครับเพื่อการรีวิวให้รู้จริงหรือปกป้องความเชื่อนะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีจนถึงปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนก็ต้องยอมสละชีพเพื่อปกป้องความเชื่อตรงนี้นะฮะ เช่นโ o เครติสนะฮะที่ต้องดื่มยาผิดตายเพราะว่าต้องเพราะการตั้งข้อสังเกตเชิงปรัชญาต่อความเชื่อขณะที่การลิเลโอก็ตายเพราะว่าบางอาจไปรีวิวศาสนาจะเห็นได้ว่าการรีวิวล้วนมีต้นถุดนะครับหลายส่วนของโลกกำลังเดินมาถึงยุคที่ผู้คนเลือกที่จะเชื่อวิจารณญาณตัวเองมากกว่าที่จะเชื่อคำสอน แล้ก็ปฏิเสธความคิดแบบแผนเก่าๆเลือกที่จะเรียนรู้พัฒนาด้วยกระบวนการที่ไม่มีตำราเลือกที่จะสแสวงหาความสําเร็จให้ตนเองและเดินทางในเส้นทางที่แตกต่างนะฮะแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรากําลังตกหรือกําลังคิดว่าเป็นยุคใหม่ของบางสังคมเนี่ยหากมองย้อนในประวัติศาสตร์ก็ไม่นับว่าใหม่เสียทีเดียวเพราะว่าปรากฏการณ์ที่คนลุกขึ้นมาหาความเชื่อตัวเองพัฒนาตัวเองสร้างความสําเร็จใหม่ๆด้วยตัวเองลบล้างมายาคติเก่าๆนั้นก็เคยเกิดมาแล้ว ในทุกยุคทุกสมัยนะครับการพิจารณาประวัติศาสตร์ทําให้เราพบว่าจุดเริ่มต้นของความเจริญในอารยธรรมเนี่ยบางทีมันก็เกิดมาจากที่มนุษย์เนี่ยสร้างความสําเร็จหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเกิดขึ้นให้หลุดพ้นจากการพึ่งพาความเชื่องมงายแบบเดิ ม, ดมนั่นเองนะฮะก็ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าคนยุคนี้เนี่ยเราเราเน้นที่จะเสพเรื่องของการรีวิวและเราก็ อยากจะเป็นคนรีวิวก็เลยเกิดบล็อกเกอร์เกิดยูทูบเบอร์เกิดเลยขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับแล้วว่าพฤติกรรมแบบนี้มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะฮะยุคนี้เขาบอกว่าคนเนี่ยจะไม่ได้เชื่อคนดังๆหรือดาราพูดเท่ากับบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งอาจจะเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาแต่บางเอิญมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็มารีวิวมาพูดจะให้ความรู้ก็เลยทาให้คนทั่วไปเนี่ยมีความ เขาเรียกว่าเชื่อแล้วก็รับฟังมากขึ้นแต่เราก็จะไม่ได้เห็นคนที่เขาแบบอ่านอินฟลูเอนเซอร์คนเดียวพูดปุ๊บแล้วก็เชื่อปั๊บเลยนะฮะก็อาจจะมีการหาข้อมูลจากหลายหลายคนเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับ รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท a ออาจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดขอฟ้าหรือใตท้ทาราหมืน่นภู ผ, ผาร้อยพันดาราดับลงมืดมนเพิงใด เราสองต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอไล่ฉันอยู่เคียงกันจะพบชาดได้ไหมมีวันไกลากายผูกใจพันหัวใจเคียงกันโฮ oh, oh. ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดเป็นใดฉันจึงได้พบสบตาของเธอเพียงแรกเจออยากเคียงชิดคู่ได้คอยเฝ้าดูแลตลอดไป เธอยังปรุงอยู่ในหัวใจเหตุใดหรือจะเป็นดั่งพรหมจัดวางและคอย ส, สร้างให้เราได้เจอหรือว่าพรหมคีดไว้เสมอให้เราเจอกันหรือเป็นพรมผูกใจเราสองแม้ไกลเท่า วันลกลายกลยผูกใจพันหัวใจเคียงกันไม่ว่าโดยเหตุอันใดไม่ว่าจะมีใัยอันตรายอันใดย่ำไกลเธอทุรนทุรายกวัวนกว็งวลจนมองหากันไม่จเจอนอกเหนือเธอเชื่อใจฉันงมืนั้นจะเจอเดียวรู้ว่ามีฉันใกล้ใกล้เธอตลอดเวลาไม่เสื่อมคลายจะกี่พบกี่บันปลายแต่นี้ไม่ค้าไม่จางหายจบจนฟ้าดินลายฉังรักเธอ แม้คุณจะจุเหมืนกับบีบบูลแต่ดั่นน่ารักมืนกับชี้สุกถ้าเป็นหนังสือคุณต้องพลิกดูตอนจบสองเราจะชีวิตคู่หากคุณไม่เชื่อคุณจะผิกสุดดูการกระทำผมติดถูกวัดหลาตีจุดลองตีจุดจนกว่าสองเราจะได้เคียงอยู่ดูเหมือนมันโลกกลมจะวามันเอิก็เการไปคมค่ากันเดินไกลก็เพาะมันทางไม่ฉันเพื่อเปลินใจอุปสรรคไรกวากน้ําที่เข้ามามันยังไม่เกินใจฉันรักเธอจริงใจ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 หมื่นผู้พาร้อยพันดาราดับลงมืดมนเพีงใดเราสองต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงพราะหัวใจเธอและฉันอยู่เคียงกันจะพบชาได้ไม่มีวันกลายกายผูกใจพันหัวใจเพียงกันโอ้สุ ข, ขอบฟ้าหรือใต้ธาราหมื่นผู้พาร้อย ใจคิ่มกันไม่ว่าด้วยแหตุอันใดไม่ว่าด้วยแหตุอันใดสถานสุขภาพความงามบวดสปา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 เบรกแรกเราคุยกันเรื่องของการรีวิวเบรกต่อไปนี้ยาวๆกันเลยเราจะมาดูแลสุขภาพใจแบบไม่ต้องเลิกเล่นโซเชียลกันบ้างนะครับก็เกริ่นเอาไว้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็ต้องบอกว่าในยุคที่คนรุ่นใหม่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีกับการดื่มน้าผักผลไม้ล้างพิษหรือการทำดีท็อก์นะเพื่อขจัดของเสียให้ในตับออกไปโดยก่อนที่เราจะตัดสินใจทา ความสะอาดหรือว่าดีท็อกเรามักจะรู้สึกไม่สบายตัวหรือสังเกตเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นท้องอืดท้องผูกหรือว่าปวดศีรษะนะครับแต่หลังจากที่เราผ่านกระบวนการตรงนั้นนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเออบันดีขึ้นแต่ก็มีน้อยคนนะครับที่ตั้งใจจริงกับการปรับพฤติกรรมเพื่อให้ร่างกายสะสมของเสียที่ทําให้ร่างกาย เป็นเป็นปัญหาแล้วเราก็ชอบไปแก้ที่ปายเหตุสำหรับเราแล้วนะครับการทำาีทอ็อกด้วยน้ำผักผลไม้เนี่ยก็คล้ายกับสิ่งที่หลายคนเรียกว่า Digital Detox นั่นคือถ้าเราเริ่มสังเกตว่าสภาพจิตใจของเราเริ่มแกว่งไกวเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตัวเองกับตัวเราจากปัจจุบันกับในอดีตเรามีความรู้สึกเสพติดถ้าไม่ได้เช็คโซเชียลจะกวลกวายใจเราสงสัยตัวเองในหลายเรื่องจึงพยายามเลิกเล่นโซเชียลให้น้อยลง นะรหรือว่าพยายามเลิกเล่นหรือพยายามเลือกแบบให้มันน้อยลงเลิกติดตามซ่อนโพสต์ของบางคนเพราะทําให้เรารู้สึกมันสบายใจขึ้นแต่วิธีนี้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับพูดถึงปัญหานี้เนี่ยพี่บิงเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าการการที่เราเสพติดสิ่งเหล่านี้เยอะๆเนี่ยบางทีมันมันอาจจะเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทําให้คนในยุคนี้เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย หลายๆองค์กรหลายๆ ห, ห, หน่วยงานเขาก็เริ่มออกมารณรงค์ให้เราทำการทำดิจิตอลดีท็อกซ์หรือว่าการปรับพฤติกรรมสมดุลความรู้สึกของชีวิตกับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์พวกนี้นะฮะว่าแต่ทำไมคนเราถึงอยากจะหนีออกจากโลกออนไลน์อันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะแต่ก่อนที่จะตอบคำถามเกี่ยว ก, กับการปรับเปลี่ยนวิธีมองโลกเราอยากจะลองมองลึกลงไปนะฮะก่อนว่าทาไม คนเราจึงอยากดีออกจากโลกออนไลน์ตั้งแต่แรกหรือว่าโลกออนไลน์แบบที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันผลส่งผลเสียยังไงกับร่างกายต่อจิตใจของเราบ้างสิ่งแรกที่เรานึกถึงนะฮะก็คือการที่เรียกว่าเป็นภาวะข้อมูลล้นเกินเพราะว่าสมองคนในยุคนี้นะฮะไม่เคยชินกับการรับสารจำนวนมากในเวลาอันสั้นมาตั้งแต่เด็กข้อมูลข่าวสารที่ไหลผ่านตาสมองของเราในแต่ละวันทั้งข่าวสารบ้างเมืองนะฮะ ข่าวซุบซิบดาราข่าวเพื่อนพ้องทำให้เราต้องใช้วิจารณญาณและก็ความรู้แยกข้อมูลและข้อมูลที่เป็นจริงเป็นเท็จเนี่ยต้องมีการแยกออกมากระแส fast information เนี่ยทำให้สมองมี input เกิดกระบวนการ process แต่ไม่เกิด output ที่สร้างสรร์เมื่อเราไม่อยู่ในสภาวะที่จะสร้างสรร์อะไรเนี่ยเราก็จะตกอยู่ในวังวนของความเครียดและความกดดัน รายการคอ m จูเดยสนับสนุนรายการโดยบริษัท a r i าจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 ันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินชิาลง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 j u p e n d a w y รู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไซให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมมาต่อกันนะฮะว่าสิ่งถัดไปที่ทำให้เรานึกถึงก็คือภาวะสูญเสียความเคารพตัวเอง ในโซเชียลมีเดียนะครับมีแต่คนโพสต์รูปความสุขของตัวเองแชร์เรื่องราวความทุกข์ของคนอื่นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขหรือมีปัญหารวมทั้งสร้างภาพให้คนเข้าใจว่าตัวเองเป็นแบบนี้แบบนั้นเพราะไม่อยากจะถูกเข้าใจผิดหรือว่าถูกตัดสินทั้งหมดนี้นะครับอาจทําทให้คนที่มีเซลล์เอสติเมตไม่แข็งแรงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือว่าแย่ ก, กว่าคนอื่นเก่งไม่เท่าคนอื่น ทำงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นมีความสุขไม่เท่าคนอื่นหรือกระทั่งดีไม่เท่ากับตัวเองในสมัยก่อนคือบางทีไม่ได้เทียบคนเทียบกับตัวเองก็มีนะเมื่อเราไม่อยู่ในภาวะที่จะรักตัวเองอย่างเต็มหัวใจเราก็จะตกอยู่ในวังวนของความเครียดและความกดดัน <c oughs> เช่นเดียวกับกรณีแรกที่พูดมาอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการที่โลกโซเชียลเนี่ยเต็มไปด้วย Speed hasspeed ก็คือเหมือนกับเรียกว่าไรเดียคํา เหมือนกันการกานแกล้งหรือการด่าทอทางโซเชียลที่พร้อมจะส่งต่อพลังงานเป็นพิษให้กับคนที่อยู่ในวงสังคมเราคิดว่ามันเริ่มจากการที่เวลาคนในสังคมเมืองเจอหน้ากันพวกเขามักจะไม่กล้าพูดกันตรงๆหรือวิภาควิจารกันตรงๆเพราะว่ากลัวทะเลาะเบาะแวง้งหรือถักหน้ากันผู้เขาบางคนจึงนําความคิดของตัวเองเนี่ยมาแสดงออกทางโซเชียลทําให้โลกโซเชียลเนี่ย กลายเป็นหลุมดําที่ดูดเอาพลังลบจากทั่วทุกสรารทิศเข้ามาคําพูดรุนแรงเหล่านั้นนะครับทำให้จิตใจเราหมดหมองขุ่นเครืองเกี้ยวกลดัดและแน่นอนนะครับเราจะตกไปในบังวนของความเครียดและความกดดันจนไม่มีความสงบสุขในจิตใจนั่นเลยเองนะฮะเมื่อมนุษย์เราทนสภาพ ท, ที่เจอไม่ไหวหลายคนจึงกดเลิกติดตามเพื่อนบางคนหรือว่ากดซ่อนโพสต์ของเพจบางเพจเพราะคิดว่าน่าจะง่ายกว่าการ ที่จะตัดจบไปเลยบางคนลบแอปพลิเคชันออกไปจากสมาร์ทโฟนด้วยหวังจะลองปรับพฤติกรรมของตัวเองไปด้วยถ้าเราอยากจะเสนอว่าการปรับพฤติกรรมนั้นยากกว่าการปรับวิธีคิดแต่อย่าง อ, างอางหลังเนี่ยยั่งยืนกว่าคือการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าเราปรับวิธีคิดเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเสพติดสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ใช่เรียกว่าเสพติดสิเรายังสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้เหมือนเดิมนะฮะอย่างไรก็ดีนะฮะจะดีที่สุดหากเราทําได้ทั้ง2 อ, อย่าง เช่นจากที่อยู่แต่หน้าจอก็ออกไปเจอผู้คนจริงๆในขณะเดียวกันก็ลองมองหาความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันนะฮะก็ทั้งหมดที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มพอมองเห็นภาพนะครับว่าสาเหตุอย่างที่บอกว่าสาเหตุที่คนในยุคนี้มีอาการโรคซึมเศร้าหลายคนเนี่ยถึงขนาดขั้นฆ่าตัวตายเหมือนคนดังๆหลายคนที่เราได้ฟังข่าวในช่วงสองสัปดาห์มาที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันมาจากปัญหาของการใช้โซเชียลหรือว่า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 music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 เชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทญัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999 RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรั บ, รบค่ะ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 เราทำอะไรได้อีกบ้างนะครับหลายคนอาจรู้สึกว่าเพียงแค่ปรับพฤติกรรมก็ยากพอแล้วถ้าต้องปรับวิธีคิดอีกเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะฮะแต่เราก็เชื่อนะฮะว่ามันอาจจะเป็นไม่เป็นเาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ยากขณะที่เราพูดถึงแถมหากปรับวิธีคิดได้การปรับพฤติกรรมเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็ทำได้ตามๆกันมานะฮะเขาบอกว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่เรื่องของ ลองเข้าใจความหลากหลายนะครับยอมรับความแตกต่างของคนที่อยู่ในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ของเราทําให้เราไม่นําการกระทําพฤติกรรมหรือการแสดงออกของเขามาตีความหรือว่าทําลายตัวเราลองคิดว่าใครจะเป็นอย่างไรหรือทําอะไรก็ปล่อยเขาไปไม่นํามาเปรียบเทียบกันใครชุนเชียวก้าวลาวนะฮะให้ลองคิดว่าเขาโตมาแบบนั้นใครชอบโอ้อวดความสามารถตัวเองให้ลองคิดว่า เราเปลี่ยนเขาไม่ได้ลองใช้ความเห็นอกเห็นใจมองเขาในมุมใหม่เพราะว่าสถานการณ์ชีวิตของเขาอาจจะกดดันให้เขาต้องทำแบบนั้นนะหรืออาจมีเหตุที่ทำให้เขารู้สึกจนมุมจนแสดงออกอย่างไม่ถูกไม่ควรนะโดยที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยนะ่อันนี้แบบแรกนะถัดไปก็คือเราต้องตระหนักรู้ว่าเรากำลังเห็นด้านเดียวของเขาอันนี้คืออะไร ข้อนี้สามารถทำต่อเนื่องจากข้อแรกได้นะครับนั่นคือเมื่อเราเริ่มเห็นอกเห็นใจเขาแล้วนะครับเราจะมองเขาเป็นมนุษย์ที่มีความหลายมิติมากขึ้นจากที่เราไม่ได้เห็นภาพใหญ่ภาพกว้างหรือทั้งหมดของตัวเขาแต่จงระลึกไว้เสมอนะว่าทุกคนที่มีอยู่ในโลกนี้มันมีหลายด้านแล้วก็ยังมีอีกด้านหนึ่งของตัวเองที่ไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นรู้และเหนือไปกว่านั้นนะครับจงระลึกไว้เสมอว่าในความเจริงนั้นไม่มีใครมีความสุขตลอด หรือชีวิตมีแต่ความสวยงามตลอดรวมถึงตัวเราเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้โพสอะไรที่หรูหราสวยงามหรือว่าดูมีความสุขไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยหาความสุขไม่เจอนะหรือการที่เราไม่มีสิ่งที่คนอื่นโพสก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทุกกว่าเขาเราเพียงต้องมีสติรู้ตัวจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตและวิถีชีวิตแบบไหนกันแน่ที่เราอยากมีนะฮะอันนี้ก็เป็น2ข้อคิดที่ เรียกว่าให้เราลองปรับความคิดตรงนี้ดูนะแล้วเราจะทำให้เราอยู่ได้ <c oughs> ในโลกนี้กับโลกโซเชียลด้วยเนะี่เพะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเราไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆคนเรามันก็มีหลายด้านมีหลายมุมเราเข้าไปเอาสิ่งเหล่านี้มาเก็บมาคิดเอามา เปรียบเทียบกับตัวเราหรือบางคนอย่างที่บอกนะไม่ได้เทียบคนอื่นแต่เทียบตัวเองในอดีตก็เลยรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันก็มีขึ้นมีลงก็ปรับเปลี่ยนกันไปตามช่วงเวลานั่นเองครับรายการค o m จูเดยสนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 เธอเคยว่ารักจริงแต่สิ่งที่ฉันเจอเธอมองฉันเป็นเพียงทางผ่านทำไมต้องทำเป็นว่ารักว่าผูกพันให้ฉันงมง่ายและตายใจก็บอกกับฉันจะรักกันจนตายไม่คิด มีใครนอกจากฉันแล้วเธอก็ไปกับเขาแล้วเธอก็ทำกับฉันแล้วเธอก็มาทองทิ้งกันทิ้งความเจ็บปวดเอาไว้ให้เจ็บปวดเพราะไว้ใจ i gonna make it. รายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมมาต่อกันที่อันดับ3ของสิ่งที่แนะนำให้ทำนะฮะเขาบอกว่าเราจะต้องลองหลอกสมองตัวเองอันนี้เป็นยังไงเพราะว่าสมองคนเรามักจะเคยชิน กับการคิดอะไรรูปแบบเดิมๆเรามองโลกแบบที่เรามองเพราะเรามองแบบนั้นๆจุดชินนะเราน้อยใจทุกครั้งที่เราเห็นเพื่อนคุยเล่นกันในโซเชียลเพราะเราเคยชินกับความรู้สึกน้อยใจทุกครั้งที่เห็นอะไรแบบนี้อาจจะลองแตกหักกับความคิดเคยชินของเราดูสักครั้งดีไหมเพื่อหลอกสมองให้เห็นหรือให้ออกจากกฎที่เราตั้งไว้และบอกว่าเราก็คิดแบบอื่นได้เนาะไม่ต้องคิดแบบนี้เลยอย่างเราเองที่เคยชินกับการรู้สึกว่าตัวเองห่วยทุกครั้ง หลังจากเห็นเพื่อนในโซเชียลเนี่ยโพสต์บอกเล่าความสําเร็จของตัวเองครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะลองทําสิ่งที่ไม่เคยชินตามที่จิตแพทย์ของของเราบอกเอาไว้นั่นก็คือให้บอกว่า <c oughs> คือใ ห, ให้ถามตัวเองว่าแทนที่จะถามว่าเห่าเนี่ยให้ถามเอ่อไม่ใช่สิแทนที่จะถามว่าวายเนี่ยให้ถามคําว่าเห่แทนหมายความว่าแทนที่จะคิดวนเวียนว่าทำไมทําไมทําไมทําไมเขาดีกว่าเราเปลี่ยนว่าทํายังไงเราถึงจะดี เหมือนเขาหรือดีกว่าเขาหรือดีอย่างที่เราหวังไว้หลังจากมีครั้งแรกเราก็หลอกสมองตัวเองถัดทัดไปจนกลายเป็นความเคยชินแล้วก็รู้ว่าโอเคเมื่อเจอปัญหาแล้วถ้าพูด ง, ง่ายงแทนที่จะไปนั่งเปรียบเทียบทําไมเราไม่พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ดีเหมือนเขาหรือดีกว่าเขานะครับอันดับ4นะครับรับรู้ถึงความสําคัญของชั่วขณะปัจจุบันกระทั่งการปรับพฤติกรรมก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่ใจกับชั่วขณะที่เรากําลังหายใจเราไม่ได้หมายความว่าเรา ต้องหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็แบบทับอะไรกันฮนะลองแขนหน้ามองฟ้าไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายแต่คือการที่รรู้ตัวว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อยากทำอะไรและเลือกที่จะทำอะไรถ้าเราเล่นโซเชียลก็ให้รู้ตัวว่าเราเล่นอยู่ถ้าเราทำงานก็ให้รู้ว่าเราทำงานอยู่ถ้าอยู่กับเพื่อนคุยกับเพื่อนก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคุยกับเพื่อนอยู่คิดถึงตัวเองคิดถึงคนรอบข้างไม่ต้องคิดถึงบุคคลที่สาม แล้วก็อะไรที่มันอยู่ไกลออกไปคือคิดสิ่งที่อยู่ไกล้ๆนะครับมาอันดับสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าต้องตรวจสอบตัวเองลองคิดดูอย่างละเอียดถีทวนนะฮะว่าเรากําลังปล่อยพลังลบสู่โลกออนไลน์หรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่ทําให้คนอื่นรู้สึกแย่เหมือนที่เรารู้สึกหรือไม่เริ่มจากลองวิเคราะห์ดูเพลินๆว่าอะไรในโลกออนไลน์ที่เราไม่ชอบพฤติกรรมแบบไหนที่เราลาคานหรือคนแบบไหนที่ทําให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจนําสิ่งที่เรามองเห็นมาตอบตัวเองว่า เราเป็นแบบนั้นแบบนี้ที่เขาว่าเราหรือเปล่านะฮะและทำความเข้าใจในตัวเองให้มากขึ้นแท้จริงแล้วอะไรกันแน่ที่สําคัญกับชีวิตเราในระยะยาวนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เหมือนกับเป็น5อันดับ5ขั้นตอนในการที่เราจะดีท็อกนะดีท็อกดีท็อกแบบชีวิตดิจิตอลให้มันเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวมันดีขึ้นอยู่กับชีวิตของเราได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ สัปดาห์นี้เราก็มากันแบบโอ้โหจริงจังทีเดียวกับชีวิตดิจิตอลจริงๆนะเนีปล่นบรรยากาศบ้างเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ไอทีไอทีนะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปบางวีกเราก็เอาเรื่องชีวิตมาเล่าแต่เป็นชีวิตแบบดิจิตอลบางวี ก, ก็เอาพวกดิจิตอลมาเก็ตติ้งมาขุยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่ปรับเปลี่ยนความคิดความรู้ให้กับเราโดยนั่นเองนะครับ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 รมีอะไรในใจหรือเปล่าทำให้เธอดูซึมเศร้าเมื่อลอยไม่ค่อยพูดเจอทั้งทั้งที่ตัวฉันก็ไม่ได้ทำไปอะไรเลยนะเธอมากลายเป็นเย็นชาหรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลไป ก็บอกเราต่างกันมากบางทีก็บอกเราแยากเกินจะเข้าใจเธอรู้ไหมฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้เพราะฉันเคยทิ้งใคร ว่าเธอจะมีใครปิดบังไว้เธอนับใจ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 บางทีก็บอกเรายากเกิดจะเข้าใจเธอรู้ไหมฉันก็เคยใช้ํำเหล่านี้เพรา วันเธอหนาบีใครปิดบังไว้เธอนาใจ วันนี้เธอจะมีอาการเหมือนสันวันนั้นทำให้รู้ได้ทันทีว่าเธอน้ามีใครบิดบังไว้ธทนอบใจ